111 กัมพรานุชานาธิคถาว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ากำพลเป็นต้นเรื่องผ้า ครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค เพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานแก่ข้าพระองค์ผู้ เราจ่ายให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วลุกขึ้น เรื่องผ้าเนื้อดีเนื้อหยาบสมัยนั้นจีวร ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวร 6 ชนิดคือ 1 ขโมกผ้าเปลือกไม้ 2 กปาสิกะผ้า ภิกษุทั้งรังเกียจไม่ยอมรับผ้าบางสกุลเพราะคิดว่าพระผู้มี 212 ปังสุคุและปริเยสนกถาว่าด้วยการแสวงหากันและไม่รอสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดิน โกติเมรหรพูดว่าท่านทั้งหลาย ภิกษุหลายรูปเดินทางไกลไปในแคว้นโกศลบาง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้ ได้ผ้าบางสกุลผู้ที่แวะ เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุที่แวะ พวกเราไม่ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่านทำไม บางพวกได้ผ้าบางสกุลทำไมพวกท่านหาไม่ได้เล่าพวกไม่ได้ผ้าพวก ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุที่นัก 213 จีวรปฏิคคหะสัมมติกถาว่าด้วยการ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบ 5 อย่างเป็นเจ้า 1 ไม่ 2 ไม่ 3 ไม่ 4 ไม่ และจีวรที่ยังไม่ได้รับไว้วิธีแต่งตั้งและปรมวาจาแต่ง สงฆ์พึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวรนี่ สงฆ์แต่งแต่งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าก็สมัยนั้นพวกภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวรรับจีวร ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุ ภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงแต่งตั้งอย่างนี้คือในเบื้องต้นต้องขอร้อง ทรงแต่งตั้งภิกษุนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวรท่านรูปใดนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูป 214 พันธาคารสัมมติอาธิกถาว่าด้วยการสมมุติเรือนคลังเป็นต้นเรื่องสมมุติ ภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติเรือนคลั่งที่สงฆ์จำนงหวังคือวิหารปราสาทเรือนโล้นหรือถ้ำวิธีสมมุติ จากนั้นภิกษุผู้ชราสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยัตติทุติยะกรรมวาจาว่าท่าน ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทัก ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มี 5 อย่างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังคือ 1 ไม่ลำเอียงพระชอบ 2 ไม่ และจีวรที่ยังไม่ได้รับ สงฆ์พึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังนี่เป็นยัตติท่าน <sh> ทรงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้วทรงเห็นเรื่องทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่เรือนคลังสมัยนั้นพวกภิกษุ ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนคลังไม่ควรให้ แจกเรื่องส่งเสียงดังขณะแจกจีวรสมัยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ คือ 1, 1. ไม่ 2 ไม่ 3 ไม่ 4 ไม่ 5 รู้จักจีวรที่แจกและจีวรที่ จากนั้นภิกษุผู้ชราสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบติยัตติทุติยะ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุ สมัยนั้นพวกภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร สมัยนั้นพวกภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวรได้มีความคิดดังนี้ว่าพึงให้ส่วนจีวรแก่สมณเณร โดยจะรับส่วนของตนไปด้วยจะรับส่วนของตนไปด้วยภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้มอบส่วน พระผู้มีพระเรื่องวิธีให้ส่วนจีวรสมัยนั้นภิกษุเจ้า ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ 215 จีวรรัชนกถาว่าด้วยนามย้อมจีวรเรื่องย้อมจีวรด้วยโคไมสมัยนั้นพวกภิกษุใช้โคไมบ้างดินแดงบ้างย้อมจีวรจีวรเราอนุญาตนามย้อม คือน้ำย้อมจากต้นไม้น้ำย้อมจากเปลือกไม้น้ำย้อมจากใบไม้น้ำย้อมจากดอกไม้ไม้น้ำย้อมจากต้นเรื่องย้อมด้วยน้ำเย็นสมัยนั้นพวกภิกษุใช้น้ำย้อมที่เย็น พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหม้อย้อมขนาด เรื่องไม่รู้ว่าน้ำย้อม พวกภิกษุยกหม้อน้ำย้อมลงทำหม้อกลิ้งตกแตกภิกษุทั้ง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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า เรื่องปลูกกัดเครื่องกลองทำด้วยหญ้าเครื่องรองทำด้วยหญ้าถูกปลูกเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล เรื่องน้ำย้อมหยดออกจากชายข้างเดียวย้อมหยดออกจากชายค้ามเดียวน้ำเรื่องนี้ สมัยนั้นจีวรกลายเป็นผ้าเนื้อแข็งภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระทั้งหลายเราอนุญาตให้ทุบด้วยเรื่องพระชัพพคีใช้จีวรที่ไม่ได้ตัดสมัยนั้นพวกจีวร ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ 216 ฉินตกะจีวรานุฌานาว่าด้วยทรงเรื่องตัดตาม พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตาม เธอเห็นนาของชามคตซึ่งเขาพูนดินเป็นครรนาสี่เหลี่ยมยาวทั้งด้าน เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นบ้างทําผ้าอัฏฐกุสี ทำผ้าอนุวิวัตตาบ้างทำผ้าคีวยะกะบ้างทำผ้าชังเคยะกะบ้างทำผ้าพาหันตาบ้างจีวอนเป็นผ้าที่ต้องตัดเซ้ามองเพราะศาสตร์เหมาะแก่สมณะและพวกโจรไม่ต้องการภิกษุทั้งหลายเราอนุญาติสังฆาติตัดอุตราสงตัดและอันตรวาสก์ตัดสองร้อยสิบเจ็ดติจีวานุชาณา ว่าด้วยการอนุญาตไตรจีวร บ้างก็ทูลห่อผ้าที่พับดั่งผู้ไว้บนศีรษะบ้างก็แบก แล้วเสด็จจาริ้วไปโดยลำดับจนเด 3 เดือน 4 พระผู้มีพระภาคทรงห่ม จึงไม่ทรงหนาวไม่ทรงหนาวเมื่อ 3 จึงไม่ทรงหนาวเมื่อปัจฉิมยามผ่านไปที่ 4 จึงไม่ทรงหนาว อภครองชีพอยู่ได้ด้วยผ้า 3 ผืนอย่ากระนั้นเลยเราควรกำหนดเขตแดนควรกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผ้าเราควร กับกรุงเวสาลีต่อกันได้เห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้จํานวนมากห่อในจีวร เราควรกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย คมจีวรผืนที่ 3 จึงไม่หนาวเมื่อปัจฉิมยามผ่านไปยามรุ่งอรุณแห่งราตรีอันในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคน เราควรกําหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุ 218 อติเรกจีวร เครื่องพระชาภคีทรงอติเรกจีวรชุดอื่นเข้าบ้านสมัยนั้นพวกภิกษุชาภคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรแล้วจึงใช้ไตรจีวรชุดในอารามใช้ไตรจีวรอีกชุด ฉะนั้นพวกภิกษุชาภคีจึงทรงอติเรกจีวรเล่าแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ ท่านพระอานนท์ต้องการจะถวายอติเรกจีวรนั้นแก่ท่านพระสารีบุตรเราเราต้องการจะ ครั้งนั้นท่านพระอานนท์จึงได้นําเรื่องนี้ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ 10 วันเป็นอย่างมากเรื่องอติเรกจีวรเกิดขึ้นสมัยนั้นอติเรก ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้วิสกัปอติเรกจีวรเรื่องทรงอนุญาตผ้า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันของภิกษุรูปหนึ่งขาฑลุภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระ บริเวณโดยรอบจะเป็น 2 ชั้นตรงกลางเป็นชั้นเดียวจึง ดีแล้วที่เถรทาภะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดง อันตระวาสกชั้นเดียวภิกษุพึงทำอุตสาหะในผ้า